ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายแต่รามปพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดถึงสุบินคือความฝันของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ศัสรู่อนก่อนเราพูดมาถึงข้อที่สองที่แสดงถึงยาคาหรือยาแพรกเราแปล ก, กันว่ายาแพรกบางยาคาบาง จิงงอกขึ้นจากสเดือขึ้นไปสูงจอดฟ้าก็แสดงว่าพระองค์จะสัรู้โดยปฏิบัติตามหลักของอังถกามมรรคทั้งแปดประการในข้อต่อไปนั้นแบอบกว่านอนทั้งหลายที่มีหัวดำมีสีขาวหัวดำกลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเขา่า พิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นหมาสุบินข้อที่สามได้เกิดแก่พระองค์ในข้อนี้ทรงทรงพยากรณ์ว่าข้อที่นอนหัวขาวหัวเอ่อทั้งหลายมีสีขาวหัวดําคลานขึ้นมาตามเท้าจะถึงเขานั้นเป็นหมาสุบินข้อที่สามเพื่อให้รู้ข้อที่กรหัดผู้นุ่งขาวเป็นเดนมารกถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนี้ก็เป็นการแสดงถึง ว่าเมื่อพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นชาวบ้านทั้งหลายซึ่งแต่งชุดขาวก็หมายความว่าชุดที่ต่างจากจากนักบวชก็จะหันเข้ามาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากกนนี้ถ้าเราลองสังเกตดูนะฮะไม่ใช่พูดในแง่ที่ว่าเราเป็นพระ ถืว่าเราเป็นชาวพุทธแต่ว่าพูดในแง่ของนักศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศสาสนาโลกนะฮะเราถือว่าการทํางานของพระพุทธเจ้าเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์มากเรานึกเป็นภาพธรรมดานะฮะอย่านึกแค่มันอโดยสัญญาเอาเข้าไปใส่เข้าไปคือพระชา จ, ะจะัสรู้ที่ขยา ซึ่งก็เป็นประเทศอินเดียในปัจจุบันแต่ว่าบ้านเมืองของโปรงเองนั้นเป็นชาวเชิงภูเขาหิมาลัยคืออยู่ประเทศเนปาลในปัจจุบันแล้วนัก บ, บวชทั้งหลายมันเกลื่อนในอินเดียเนี่ยชมพูตวี่ยุคนั้นนัก บ, บวชมันเยอะอเลเกินแล้วก็มีลทัทธิครูทั้งหนี่เผยแผ่อยู่ก่อนที่พระเจ้าจะ ส, สรุ แต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสัสรู้นะ่ะพระชนพรรษาสามสิบห้ายังหนุ่มมากนะก็เรียกว่าสามสิบหกต้นนี่ยังเป็นนักบวชที่หนุ่มมากจนคณะพระเจ้าประเสริฐในโกศลตอนนั้นก็เสด็จไปถึงโกศลแล้วก็แสดงว่าประชนมายุก็ต้องไปร่วมสี่สิบไปแล้วนะพระเจ้าประเสริฐในโกศลเองยังตั้งข้อสงสัยเลยว่า พระมหาสมณโคดมปฏิญาณตนว่าเป็นอรหรันตสมมาสมุท t h ด้วยหรือเพราะในความรู้สึกของท่านเนี่ยคนที่จะเป็นอรหรันตสมมาสมุท t h มันจะต้องเป็นคนแก่แต่ว่าคณาจารย์เจ้ารัชที่ทั้งหกเนี่ยผู้ครูทั้งหกปุรณากัสสะมคคัลโก ส, สานสัญชยัยเวรัตบุตรปกุฏทักกัจจายนะอาทิตเขสกมพลนิครนัทบุตรเนี่ย มันเป็นขณาจารย์เจ้าลัทธิมอกอดพระพุทธเจ้าแล้วก็อายุก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ว่าไม่มีใครประกาศตนเป็นอรหันตสมาสมบุทธาเลยพระเจ้าก็รับสั่งว่าถ้าจะกล่าวว่าใครเป็นอรหันตสมาสบุทธาสักองหนึ่งเนี่ยก็ควรจะกล่าวถึงพระองค์แล้วก็การที่พระเจ้าประเสริฐโกศสนเสนอในลักษณะนั้นเกิดตั้งข้อสังเกตโดยกรำกับกําหนดด้วยอายุมากเนี่ย สแสดงให้เห็นว่าภิกษุไม่ควรรูหมิ่นว่ายังดมไฟนี่ไม่ควรดูหมิ่นว่ากองน้อยอสรพิษไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวมันเล็กกษัตริย์ไม่ควรดูหมิ่นไว้ทรงพยาวนะเพราะเหล่านี้พร้อมที่จะเป็นคุณเป็นโทษได้อย่างมหาศาลเพราะงั้นคนที่หันมานับถือพระองค์เนี่ยมันก็เป็นคนในนับถือลัทธิอื่นอยู่ก่อน เราลองเรียงตามลำดับก็เรียกว่าประมาณเจ็ดเดือน น, นนะประมาณเจ็ดเดือนหลังจากแสดงวัถุมเทศนาก็าเริ่มต้นที่ปัญจวคีห้าเป็นนักบวชประเภทภิกษุมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้ามาก่อนเพราะว่าไม่พอใจที่พระเจ้าส่งลาการมาเปิดดุกระยามาบำเพ็ญเพียรทางจิตในกลุ่มต่อมา ก, ก็คือประญาศัทครอบครัว ปกติซะว่าพริยาศัก์อกบวชแล้วก็มีเพื่อน อ, อกบวชตามคราวแรกก็สี่คราวที่สองก็ห้าสิบรวมแล้วก็ห้าสิบห้าเป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นเศรษฐีมีฐานะบางครั้งร่ำรวยก็ในช่วงนั้นเองก็มีอุบาสก ค, คือพ่อของพระยาศาักบวาสิกาก็คือแม่และอดีตพันยาของพรยาศัก์แล้วยะใกล้กลนั่นเองก็มีพัทวคคีคือคนที่มีฐานะดี อีกสามสิบท่านเข้ามาบวชในช่วงตันนั้นนะสั้นๆก็ยังนึกว่าพระพุทธเจ้าเริ่มเทศตอนกลางเดือนเดือนแปดนะแล้วก็ที่ได้ครบตรงนี้มันก็คงจะอย่างดีก็ออกกรรสาก็ประมาณสักสามเดือนแต่ก็ได้นักบวชก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะเก้าสิบนะฮะ 91ทางพระพุทธเจ้าเป็นพระหันเกิดขึ้นในโลก91องค์แล้วก็ต่อจากนั้นก็เสด็จไปโปรดพวกปบราณนชิดินซึ่งเป็นนักบวชประเภทชิดินเป็นขณาจารย์เจ้าลัทธิของแครนังคะกับมกคตมีคนเคารพนับถือมากแล้วก็เป็นผู้เท่าหนวดงอกแล้วพู้เจ้าทรงใช้วิธีการทรมานจนยอมเป็นลูกศิษย์แล้วก็ออกบวชตามเสด็จทั้งหมดพระเจ้าทรง แสดงธรรมะคืออธิตตะปรยายยสูตรก็บรรุเป็นราราหารันกลายเป็นพันเก้าสิบรูปแล้วในการต่อมาก็เสด็จกรุงราชครึอพระเจ้าพิมพิสารกับบริวารทรงนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาล้วนๆนะฮะแล้วก็แสนสองแล้วก็ในขณะที่ประทับอยู่ที่ประเวลุวันนั่นเอง แลวบวชอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มปริภาชกโดยการนำของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะได้เข้ามาบวชอีกสองร้อยห้าสิบก็ตีเสีว่าตรงนี้ก็มีประหารเกิดขึ้นในโลกเท่าไรล่ะพันสองร้อยห้าสิบก็เรียกว่าพันสามร้อยเท่าไสาร้อยสาสิ ปัสาร้อยสมสบสบเ็ดทั้งพระพุทธเจ้าถ้าถามเวลาตรงนี้เท่าไหรนะ่ก็ประมาณเจ็ดเดือนเพราะว่ายังไม่ถึงเพ็ิงกลางเดือนสามนะฮะยังไม่ถึงเพ็ิกลางเดือนสามพอเป็นงกลางเดือนสามก็คือเจ็ดเดือนพอดีเป็นการประสบความสำเร็จที่โลกต้องตะลึงนะแต่ว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ตรงนี้ว่าทำงานอย่างไง ทรงเดินทัพเนี่ยเดินกองทับทำอย่างไงมีวิธีการสอนอย่างไงแล้วก็ลําพังพระองค์ล้วนๆ น, นะฮะไม่มีผู้ช่วยเลยจากช่วงตรงนี้เนี่ยเฉพาะช่วงตรงนี้ไม่มีใครช่วยเลยถ้าถือว่าเสริมก็มีหน่อยเดียวที่ประสารอิบุตรไปเจอกับพระอัสสชิเดี๋ยวพระอัสสชิก็แสดงกถ า, าเยธะมาให้ฟังประสารอิบุตรก็บรรลุมรผลเป็นพระโสดาบันก็ถือว่าแทรกเข้าไปเสริมตรงนี้เท่านั้น นอกนั้นเป็นผลงานโดยตรงของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อจจจัศจรรย์ถเราสังเกตว่าเป็นแนวของของนิมิตคือหมายความว่ามันต้องตีต้องตีความที่เราเรียกว่าแก้ฝันคือไม่ได้ออกมาตรงๆแต่ก็ส่งพยากรณ์เองเคยพบในการอธิบายเรื่องเหตุของฝัน การฝันเช่นเรื่องหมาสุบินหมาสุบินชาดกแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นมีหมาสุบินสูตรอยู่ด้วยนะคหมาสุบินชาดกก็มีหมาสุบินสูตก็ดีมีก็เป็นเรื่องเดียวกันพูดถึงคําฝันของพระเจ้าเปรเสเดกุศนก็ทรงทํานายไปแล้วมันก็ตรงนะฮะตรงตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็มีรูปเป็นปริศนาเหมือนกันไม่ใช่ว่าออกมาตรง เป็นเหตุการณ์และเหมือนกับที่เกิดจริงจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่นี้ในข้อที่ข้อที่สี่นะข้อที่สี่ที่บอกว่ามีนกสีต่างๆจะพวกสีต่างๆนี่มาจากพิษทั้งสี่มาหมอบลงแทบเท้าแล้วก็กลายเป็นสีขาวหมดก็เป็นมหาสุบินข้อที่สี่ก็เพื่อให้รู้ว่าวันณะสีจำพวก ตอนนี้คือกษัตริย์พราหมวิสูตรได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วอย่าไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตต์อันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้ประเด็นตรงนี้เราลองสังเกตว่าพวกนักบวชที่เข้ามาบวชนะกลุ่มพระปัญญวคีเป็นพวกพราหมนะแล้วกลุ่มของปยศเป็นพวกพวกแพทย คือพวกเขาว่ากันว่านะฮะคือในประวัติศาสตร์ของอินเดียเขาบอกว่ายัตถาที่จริงเป็นลูกของพระเจ้ากรุงพาราสีคือถ้าเราเช็คประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะนะเมืองพาราสีเป็นประการใหญ่ของศาสนาเชนซึ่งเพิ่งเกิดเกิดก่อนพระพุทธเจ้าศัสรูประมาณหกปีแล้วท่านก็เริ่มตั้งกองเผยแผ่ศาสนาขึ้นที่เมืองพาราสี แต่ว่าจับใครไม่ได้มากพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาในถ้ำเสือเลยนะเพราะว่าศาสดาที่เป็นนักบวชไม่ใช่ที่เป็นกษัตริย์นะแตศาสนาที่เป็นกษัตริย์ในยุคนั้นก็คือท่านมหาวีระหรือวัฒมารหรือนิครดนาฏบุตรนี่คนเดียวองค์เดียวแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่เป็นองค์ที่สองแต่ว่าราชวงศ์แล้วราชวงศ์สุริยวงศ์ของพระพุทธเจ้านี่เหนือกว่านะ เพียงแต่ว่าการเผยแผ่ศาสนาไม่ใช่อิทธิพลของอเดยวงของราชวงศ์แต่ว่าใช้ธรรมะล้วนๆหรือสัจธรรมล้วนๆเพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าพวกวันนะเนี่มาครบหมดระดับใหญ่นะฮะยกเว้นสูตรคือสูตรังไม่ปรากฏในช่วงตรงนี้กวานพรามก็ออกมาบวชพวกพระสานบุตร เป็นพรามนะฮะพวกโบราณชดินเป็นพราหมณ์พวกบญรดาคีเป็นพราหม์ก็แสดงว่าพราหมณ์นั้นเป็นพวกนักบวชเก่าแต่ว่าออกบวชมาในลัตทิคนละรัตทิกันพวกปัญรดาคีเป็นพวกภิกษุพวกโบราณชดินเป็นพวกชดินพวกประยสาริบุตรเป็นพวกปริพาชกแต่พวกปริยสะทั้งเครือเนี่ยฮะเป็นพวกเศรษฐีเป็นวรนาแพทย์ก็บวช แล้วก็วันนักษัตริย์เนี่ยยังไม่ได้บวชในช่วงตรงนี้สั้นๆเนี่ยยังไม่ได้บวชนอะเกี่กัพระพุทธเจ้านะฮะแต่ว่าต่อจากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งคือตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปรกรุงกรุงกบิลพัทเนี่ยมันมีพวกกษัตริย์บวชเยอะแล้วเราก็ไม่รู้เป็นใครบ้างนะฮะบวชตั้งหมื่น บวชทยอยกันมาบวชทีละพันเดี๋ละพัน เ, นเดีบบละพันเนี่ยเป็นหมื่นตอนตอนพระเจ้าเสด็จกรุงกระบิ่ลพัดเนี่ยมีพระสงฆ์เป็นบริวารทั้งสองหมืนจึงก็แสดงว่าในช่วงตรงนี้ประวัติมันหายอะไรไปเราก็ไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นมาจากไหนจํานวนสองหมื่เนี่ยมาจากไหนก็เคยถามพระครูบาอาจารย์ว่าไอหมื่นหนึ่งนั้นแน่นอนมาจากกรุงกระบิ่ลพัด แล้วก็ที่อยู่เดิมเนี่ยมันมีแค่พันสามร้อยสามสิบเท่านั้นเองก็แสดงว่าต้องมีอีกตั้งแปดพันกว่าจริงจะได้เป็นหมื่นเขาบอกว่าคนที่นั่นนะ่ะกรุงราชเจอาครึกับอังคะกรรมโคตนี่ออกมาบวชแต่ว่าเราก็ไม่พบหลักฐานการบวชตรงนี้นะฮะว่าเป็นใครมาจากไหนกันบ้างแต่ก็สรุปให้เห็นว่า วันหน้าทั้งสี่ก็มาครบเขาเข้ามาบวชกันและที่สำคัญอย่างยิ่งก็มันเป็นการสลายวันหน้าวันหน้าทั้งหลายที่ยึดถือแล้วก็เบ่งแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นกันเนี่ยถ้าเราดูอีกทีหนึ่งมันเหมือนกับหล่อหลอมวันณนจากสี่หรือห้าวันหน้ะเนี่ยวันหน้าหนึ่งเขาไม่นับนะจันทานหลอมวันณนมาเป็นสมณะวันน มันเป็นพวกสัมนาศักยบุตรเป็นดึงเดียวกันแล้วก็เป็นพวกที่ยอมรับรับถือกันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นสูงก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมนะเพราะว่าเดิมทีเดียวพวกวันน่สูตรจะเป็นที่วันณาจันทานโดยเฉพาะพวกจันทานเนะี่ยจะเป็นทุ่นที่ดูถูกดูหมิ่นองสังคมอารยันในแรงมากแต่ในตรงนี้ เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทั้งหลักการพรือความไม่แตกต่างของวันนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญแก่วันนะ้เช่นทรงแสดงว่าคนจะประเสริฐไม่ใช่เพราะชาติสกุลคนจะเป็นคนเลวไม่ใช่เพราะชาติสกุลแต่จะคนจะเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทําเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทชีคือกล่าวถึงเรื่องกรรม แต่เรื่องนี้พระมหาการยานะก็เคยแสดงก่พระเจ้ามัทโราตะวันตรีบุตรคือ พ, พูดถึงความไม่ต่างแห่งวันนาสี่คือแทนที่จะใช้เกณฑ์วันนาเข้าไปเทียบเนี่ยเอาเกณฑ์กรรมเข้าไปจับพอจับเราจะเห็นว่ามันไม่ต่างอะไรกันเลยเห็นไหมเช่น่กินข้าวเช่นว่าอาบน้ำเช่นว่าอ่านหนังสือ เช่นว่าทำการงานเช่นว่าฆ่าคนก็เป็นฆาตากรเหมือนการทำบุญตักบาตก็เป็นคนทำบุญด้วยการรักษาศีลก็เป็นคนมีศีลด้วยการเมีมต่างอะไรกันก็ทำให้คิดถึงเรื่องหนึ่งเวลานมมนเนี้ยมีพระภิกษุสามเณรเนี่ยไปเรียนดำมหาจารยข้างนอกนเยอะตัววันก่อนก็ได้ข่าวว่ามีเสียงซุบซิบจากพวกกลุ่มเพื่อนนักศึกษาด้กันเนี่ย พูดไปทำนองว่าพระภิกษุสา ม, มเณรเหล่านั้นเป็นพวกสิ้นไร้าไม้ต่อเป็นพวกด้อยโอกาสทางการศึกษามาใสศาสนาเป็นเครื่องมือในการศึกษาก็พูดอย่างนั้นนะ่ยมันก็ฟังได้นะฮะแต่ว่าคือถ้าเราคิดได้ดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปิดประตูห้ามใครแม่เข้ามาบวชศาสนาก็เปิดโอกาสให้คนทุกคนเนี่ยเข้ามาบวชมันกรวันนะ้าทั้งสี่เนี่ยไม่ได้ห้ามใคร ทุกคนมีสิทธิจะข้ามมาบวชได้แต่ว่าเด็กที่เข้าใจว่าตัวเองรวยนั้นเธอก็ลืมดูตัวเองว่าเธอไม่ได้รวยนะครับพ่อแม่เธอรวยทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของพ่อแม่ไม่ใช่ของเธ อ, อเธอเองก็จะต้องทำเอาที่จริงก็มือเปล่ามาด้วยกันนั่นแหละแต่พอดีเราได้อาศัยพ่อแม่รวยคนอื่นก็อาศัยพ่อแม่ที่จนมันไม่ใช่เป็นความผิดของเขาซึ่งคนเราก็ควรจะมีสิทธิเลือก โอกาสทางการศึกษาโอกาสดําเนินชีวิตตามสิทธิสิทธิสิทธิที่เป็นสัจธรรมนะฮะเราไม่ต้องอ้างรัฐธรรมนูญไม่ต้องอ้างสิทธิมนุษยชนกฎหมายสังคมชาติอะไรก็ได้คนเราสามารถเลือกทําดีได้เลือกทาชั่วได้คือเลือกเป็นได้นะฮะแม้จะเลือกเกิดไม่ได้ก็ตามจริงๆก็เลือกเกิดได้นะฮะแต่ว่าเร า, เราพูดว่าเลือกเกิดไม่ได้เพราะยังไงเราก็เกิดมาแล้วเราไปเลือกใหม่ไม่ได้ก็ ได้ตามที่ได้แต่ว่าเราก็เลือกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้วันพระมากคจายณะจึงแสดงให้เห็นถึงความไม่แตกต่างของวันนั้นสี่เนี่ยวันณัใดก็ตามมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวันนั้นเดียวกันแล้วันนั้นอื่นก็เข้าเป็นพวกเป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้เป็นคนติดสอยห้อยตามถ้าเหล่านั้นก็เป็นเจ้านายแล้วก็ภาพบันชัดเนี่ยนะ เวลานี้เราลองสังเกตที่สังเกตที่เด่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเทเกอร์บูดเห็นไหมเป็นนิกโกรเป็นลูกนิกโกรตัวดําแม่เป็นไทยพ่อเป็นนิกโกรเป็นขวัญใจของชาวอเมริกาแล้วเบนนี้เป็นขวัญใจของชาวของนักกอล์ฟทั่วโลกแล้วเขาเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งเราเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งว่าถ้าเด่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องวันนะั้ เห็นไหมนักกีฬาเด่นๆของอเมริกาส่วนมากเขาผิวดำอเมริกาเป็นสังคมที่ดูดูดูถูกผิวเหยียดผิวแต่ก็จริงแล้วคนถ้าพอเด่นขึ้นมาเช่นนายพลพาเวนเนี่ยแม่ทัพทะเลทรายเห็นไหมก็เป็นที่เคารพนับถือของพับหริปักกิ้กันแล้วก็อะไรก็ต้องอาศัยปีมือเขาหรือว่าอะไรล่ะจอรสันอะไรเนี่ย เรจะเห็นว่าก็เป็นเป็นเป็นคนผิวดำมันมันพิสูจน์ถึงสัจ ธ, ธรรมของเราพระพุทธเจ้าว่าสัจ ธ, ธรรมนี่คือความจริงความจริงว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ที่วันนะไอผิวพันุ์อะไรหรอกมันอยู่ที่เขาประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่ได้อยู่ที่เขามีผิวพันธุบ์บรรณาอย่างไรแล้วก็เป็นความจริงที่พิสูจน์ตัวเองได้เพราะก็ พระมาะะหาการนาการแสดงว่าวันหน้าใดก็ตามนะมีฐานะมัาาง่งคั่งร่ำรวยวันหน้าเดียวกันและวันหน้าอื่นก็จะเข้าเป็นพวกของวัน น, นั้นอันนี้ก็มีความชัดเจนประการต่อไปวันหน้าใดก็ตามที่ประพฤติผิดกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยมันก็ถูกจับกุ่มกุมขลงลงโทษด้วยกันไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าอันนี้กษัตริย์จับไม่ได้ น, นี่พราหมณ์จับไม่ได้แพทย์จับไม่ได้ก็ไม่ใช่่ะ เวลาทำผิดก็คือคนทำผิดท่านั่นเองนั่นเป็นสังคมที่พยายามจะเอารัดเอาเปรียบใช้สถานะต่างๆเนี่ยเพื่อจะกดขี่เพื่อมนุษย์้วยกันได้เราก็จะเห็นว่าสังคมที่จริงเป็นการต่อสู้กันต่อสู้กันจากอะไรจากศาสนากับวรรณะกษัตริย์กวรรณะพราหมณ์เนี่ยมาต่อสู้กันมาตลอดเปจริงการนำวรรณแพทย วรนักษัตย์วรน้าผ้าเนี่ยชิงกันนำกันมาตลอดถ้าเราลองสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกพวกพวกแพทย์เนี่ยมันก็เด่นขึ้นมาพวกนักธุรกิจใหญ่ๆโตๆเนี่ยฮะจะเห็นว่าเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของบุคคลทั้งหลายถ้ามองถึงภูมิหลังของคนเหล่านั้นแล้วก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าคนนำทางเศรษฐกิจกลายเป็นที่คารบนับถือของคนทั้งหลายไป แต่ว่าในาขณะเดียวกันเนี่ยพวกนำทางศาสนาก็ไม่ใช่ธรรมดานะเอาคนเข้ามาเป็นพวกได้เยอะเลยทีนี้ทางสถาบันบริหารทางสถานประมากระสัดโดยจะพูดนำนะเราก็ไม่พูดถึงกระสัดดอกพวกพูดนำทั้งหลายจะอยู่ในฐานะอะไรก็ช่างถ้าท่านเป็นคนดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับยกย่องนับถือถ้าเป็นคนไม่ดีแล้วก็เอาไปอยู่เหมือนกันนะนะ โดยเช่นว่าอย่างบิณพินตตนในเรื่องอะไรอ่ะโมนาลิก้าอะไรเนี่ยมันที่จริงศาสามัญชนมันก็แต่คนทั่วไปมันก็ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรนักหนาแต่ว่าคนระดับนั้นแล้วเขาเน้นที่ตัวศีลธรรมมันก็กลายเป็นเรื่องเปราะปางวันหน้าใดก็ตามที่ประพฤติในอกุศลกรรมบุนะฮะตายไปแล้วก็บังเกิดในทุ ก, กติด้วยกันวันหน้าใดที่เจริญในกุศลกรรมบุตตายไปแล้วบังเกิดในสุกติด้วยกัน วันใดที่ออกบวชอยู่มั่นคงดำรงอยู่ในศีลในสัตว์เนี่ยจะเป็นที่เคารพนับถือสักการ บ, บูชาคนทั้งหลายเสมอกันพระเจ้าโกรพะยะท่านบอกว่าข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สอ ง, ข, อสองข้อที่ห้าเป็นความจริงอย่างนี้นแต่ว่าข้อที่ทำบาปแล้วตกนรกทำบุญแล้วเกิดบนสวรรค์เนี่ยเกิดในสวรรค์เนี่ยท่านบอกว่า โยมได้ยินพระอาหารหันตั้งหลายท่านกล่าวว่าอย่างไนโยมก็เชื่อวาทะของพระอรหันตงหลายเห็นหม้มนั่นคือวาทะของปราชญ์เขาไม่บังอาจไปที่ปฏิเสธหรือไปคัดค้านสิ่งที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเป็นวิสัยของอะไรเรื่องนรกสวรรค์นั่นจะเป็นเรื่องที่มีปัญหาอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เขารู้จักประเมินประเมินตัวเองนะฮะ ว่าเขาควรจะอยู่จุดจุดไหนแล้วเขาควรจะวินิจฉัยเรื่องอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดไม่ใช่ว่าให้ความสำคัญแก่ตัวเองจนลืมว่าเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยพรายามท่านไม่ได้รู้ด้วยสมัยเป็นเจ้าสาวทิฏธาแต่ท่านรู้เมื่อเป็นพระอาหารหันตสมาสมพุทธเจ้าแล้วทรงบรรลุอนุตตรสมาสมโพธิยานแล้วที่จริงก่อนจะ สัตรุนะฮะก่อนจะสัตรุเต็มที่เพราะว่าพระยานข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่บรรลุมาก่อนแต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเต็มที่เนี่ยเมื่อบรรลุอาสวรขยานคือปรญยานในธรรมอานสวะรปีกิเลสให้หมดไปสิ้นไปท้องฝังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพ่ปูนในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี